มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่สองประโยคที่มีความหมายที่ลึกซึ้งมากที่เป็นความจริงที่จะทำให้ดับความหลงทั้งหลายดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจของเราได้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 เราไม่ปล่อยเราก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราเพราะเวลาที่ของต่างๆที่เรารักที่เราชอบที่เราถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราจะต้องจากเราไปเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพียงแต่คิดถึงมันก็ไม่สบายใจแล้ว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 เวลาจะถอนฟันนี่มันเจ็บมากปวดมากเราจะไม่อยากให้หมอถอนให้แต่ถ้าหมอมียาชาฉีดเข้าไปในเหงือกพอเกิดอาการชาขึ้นมาแล้วเวลาหมอถอนฟันนี่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดเลยจันใดการถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่น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 เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเวลาเรามีอุเบกขานี้เราจะไม่มีความรักไม่มีความชังกับสิ่งต่างๆเวลาที่เราต้องเสียสิ่งที่เรารักเราก็จะเฉยๆเวลาที่เราต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะเฉยๆนี่คือ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 แล้วผู้ฟังธรรมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังโดยที่เขาอ้างว่าเป็นปัญญาล้วนๆอันนี้ก็ไม่ใช่ครับเพราะคนที่ฟังนี้ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะบรรลุได้ถ้าคนไม่มีสมาธิฟังไปก็บรรลุไม่ได้อย่างสมัยพระพุทธการ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 อยู่กับการไม่ได้เสพยาเสพติดแต่ถ้าได้มาฝึกสมาธิได้มาทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้ไดรวมเป็นเอหนึ่งเป็นเอกขตารลมสัแต่วารู้ได้เวลาออกจากสมาธิมานี้จะมีอุเบกขาที่จะมาทำให้เราสามารถที่จะ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 ดังนั้นเราต้องมาสร้างสติกันให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่มีสติเวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่สงบใจก็จะคิดปุงแต่งไปเรื่อยๆถ้ามีการคิดปุงแต่งไปเรื่อยๆความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นความสงบจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความคิดปุงแต่งได้ถูกละงับไปถึงแม้ว่าจะเป็นการละงับชั่วขาวก็ตาม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 ที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเนีลองไปศึกษาดูลองเลือกใช้ดูไปเปิดเมนูดูเหมือนกับเมนูอาหารเวลาไปร้านอาหารนี่ต้องไปเปิดเมนูดูก่อนเลือกอยากจะกินอาหารชนิดไหนกรรมฐานสี่สิบนี่ก็เป็นเหมือนเมนูเพราะว่าจริตของคนแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันท่านแบ่งไว้อยู่ห้าจริตด้วยกันมีพุท ธ, ธจริตมี โมหะจริตโทสะจริตราคะจริตแล้วก็ศรัทธาจริตเนี่ยเจริตของแต่ละคนนี้ก็จะชอบอาหารชนิดต่างๆไม่เหมือนกันเช่นศรัทธาจริตก็จะชอบพวกอนุสติเช่นพุทธานุสติธรมมานุสติสังฆานุสติองค์ที่เป็นพุทธิจริตก็ชอบของจริงเช่อนอสุภะเช่นมรณ า, านุสติ ชอบดูของจริงเหมือนคนที่ชอบดูหนังตลกบ้างบางคนก็ชอบดูหนังเศร้าโศกบ้างบางคนก็ชอบดูหนังตื่นเต้นบ้างหนังผีอย่างนี้อนี้ก็เจริตของคนเหมือนกันฉันใดเวลาเราดูกรรมฐานก็เหมือนดูหนังดีๆดนี่เองเราก็จะเลือกดูช่องที่เราชอบดูกันถ้าเราเป็นพวกศรัทธาจริดเราก็จะชอบพุทธานุสติบริกรรมพุทโธพุทโธ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 ในวาบางเวลาก็มีความไข้มีราคะชอบเสพกามเราก็ต้องใช้อสุภสมถานมาละงับกรรมฐานางงรรฐานี้ก็เป็นเหมือนยาที่จะรักษาใจให้มันหายฟุง้งซ่านถ้าเกิดโทสะเรจริตท่านก็ให้ใช้เมตตาภาวนาปมวิหารสี่เมตตากรุณามุดิตาอุบเบกขา อันนี้ก็อยู่ในกรรมฐานสี่สิบฉากศบสิบประการนี้ก็สำหรับคนที่ชอบของจริงพุทธิจริตอยากจะรู้ว่าอนาคตของร่างกายนี้มีจะเป็นอย่างไรท่า น, นก็ให้ไปเยี่ยมป่าชา้าไปดูศิบไปดูศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าที่มีลักษณะต่างๆกันให้ศึกษาถึงความจริงของร่างกายที่เรา ยึดติดอยู่นี้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้ปล่อยวางมันได้นั่นเองเพื่อจําเพื่อที่เราจะได้ทําใจให้เป็นอุเบกขาได้ดังนั้นกรรมฐานนี้มีอยู่ทั้ง40ชนิดอนุสตินี้ก็มีอยู่10ข้อด้วยกันเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมรณ า, านุสติเทวานุสติ อาปณสติอันนี้อยู่ในกลุ่มของอนุสติอสุภะษินี้หรืออาการสารสิบสองศึกษาดูให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนก็ให้ดูอาการ32มไปพิจารณาอาการ32แยกออกมาเป็นชิ้นชิ้นเป็นส่วนสว่วนเราก็จะเห็นว่าไม่มีชิ้นไหนที่ว่าเป็นตัวเป็น ต, เ น, ตนเลย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 อย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิถ้าอยากจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิมันต้องใช้แบบนี้ใช้ดูอาการดูอาการสาสบสองแยกแยะอาการต่างๆออกมาให้เห็นชัดว่าไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนเดินพิจารณาดูสร้างศพสิบชนิดด้วยกันว่าร่างกายนี้เมื่อตายไปแล้วในที่สุดจะเป็นอย่างไรเช่นในช่วงนี้แหะชาวจีนจะต้องไปเยี่ยมป่าช้ากัน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 ถ้าอยากจะได้ประโยชน์ต้องบอกให้เขาช่วยเปิดป่าช้าให้ดูเลยมันจะได้เกิดปัญญาขึ้นมามันจะได้โป่งได้ละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นใน ร, ร่างกายนี้ได้ว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็จะทำให้เห็นความจริงคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพเทธรรมานัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนี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 เช่นบางทีเราทำอะไรอยู่แต่ใจเราไปถึงกรุงเทพแล้วแต่ร่างกายเรายังอยู่ที่นี่อยู่บางทีเนี่ยกำลังนั่งฟังเทศอยู่นี่บางทีใจไปแล้วเดี๋ยวออกจากที่นี่จะไปไทปที่ไหนต่อจะไปหม่่าที่ไหนกันดีต่อคิดไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติแล้วถ้ามีสติก็ต้องอยู่กับปัจจุบันตอนนี้กำลังฟังเทศฟังธรรมก็ให้อยู่กับการฟังเทศฟังธรรม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 ฟังมาต้องนานก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็มาเทศมาบ่นว่าคนเทศน์เทศอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะราตัวเองไม่ตั้งใจฟังตัวมัวแต่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีสติดังนั้นเราต้องเข้าใจหลักของการเจริญสติเป้าหมายของการเจริญสติก็คือดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่าไม่ให้คิดปุงแต่ง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 สตินี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะเลื่ญสติเฉพาะเป็นช่วงเหมือนกับลดน้ำต้นไม้มันก็จะช้าถ้าเราเอาแบบน้ำหยดคือจเจริญอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี้มีการจเจริญสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละจะทำให้เกิดผลขึ้นได้เร็วนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีก็จะสงบได้จะรวมได้ถ้า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 ตั้งแต่ยังไม่ได้ออกจากบ้านดังนั้นถ้าเราอยากจ ะ, จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเราก็ต้องเลิกทํางานการจะเลิกทํางานได้เราก็ต้องอยู่แบบม้านน้อยสันโดษคือขอให้มีพอมีพอกินก็พอถ้าอย่างนี้เราก็จะเลิกทํางานได้ถ้าเราทํางานแล้วเราเก็บเงินไว้ได้ก้หนึ่ง ที่เราคิดว่าพอที่จะอยู่ได้ไประยะเวลาหนึ่งเราก็ออกจากงานไปเพื่อที่เราจะได้มาเจริญสติถ้าเราเจริญสติได้จนเราได้อุเบกขาแล้วพอเงินหมดก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะทีนี้เราไปอาศัยวัดกินได้แล้วตอนนี้เราอย่างไปไม่ได้เพราะเรายังยังไม่มีอุเบกขาพอ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 เพื่อที่เราจะได้เอาไว้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายของปัจจัยสี่พอเราคิดว่าพอใช้มีใช้ได้ระยะหนึ่งสองสามปีนี่ก็เหลือเฟือแล้วเพราะพุทธเจ้าบอกไม่เกินเจ็ดปีเทั้นเองก็บรรลุดได้แล้วะถ้าขยันต่อเนื่องเจ็ดวันก็ได้นี่ไม่ต้องไปกังวลสะสมเรื่องเงินทองไว้มากจนเกินไปละแล้วถ้าเราใช้ประหยัดประหยัดกินวันละมื้อนี่มันจะซักกี่ตังกัน เสื้อผ้าก็แค่สามชุดก็พอชุดหนึ่งเปลี่ยนชุดหนึ่งไว้ซักอีกชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อชุดที่ซักมันไม่แห้งก็จะได้มีชุดอีกชุดมาเปลี่ยนมีสามชุดนี้ก็พอแล้วสาหรับเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยก็ในหาที่ไม่มีใครมาวุ่นวายอยู่คนเดียวไปเช่าห้องพักก็ได้หอพักก็ได้หรือไปอยู่วัดที่ไหนได้ก็ไป ขอวัดอยู่ก็ได้แล้วก็ไปเจริญสติถ้าเราไม่มีการงานที่จะต้องคิดจะต้องทำนี้เราก็จะสามารถควบคุมบังคับความคิดของเราให้อยู่กับสติได้ให้อยู่กับพุทโธได้ให้อยู่กับร่างกายได้พอมีสติอย่างต่อเนื่องแล้วพอมา น, นั่งสมาธิก็สงบง่าย5้านาที10นาทีใจก็นิ่งแล้ว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 ถ้าอยากจะจบต้องฝืนความอยากในทุกรูปแบบอยากทำตามความอยากถ้าสู้ไม่ไหวก็กลับเข้าไปในสมาธิก่อนแสดงว่ากาลังหมดอุเบกขาหมดพอได้อุเบกขากลับมาแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจไปเรื่อยๆต่อไปพิจารณาถึงความทุกข์ที่จะตามมาจากการไปทำตามความอยากต่างๆเียต่อไปมันก็จะ เลิกความอยากได้มันก็จะถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ตอนต้นก็ถอดถอนของภายนอกทางร่างกายนอกร่างกายไปก่อนก็คือถอดถอนลาบยศสรรเสริญถอดถอนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาถอดถอนขันห้าถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังสารวิญ ญ, ญาณ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 ถ้าไม่ปล่อยแล้วใจตัวนี้ก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลาที่จะต้องพัดพาคจากสิ่งที่เราไปยึดไปติดไปอยากนี่คือเนื้อหาสาระของทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสองข้อที่ได้ยกขึ้นมาแสดงคือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นตัวเราเป็นของเรา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 มีใครอยากจะถามอะไรไหมโดยมีใครจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังก็ได้ไดเพื่อจะได้ให้กำลังใจกันว่าธรรมะของพทธเจ้านี้เป็นของจริงจันทิตโกปฏิบัติแล้วมีผล ไม่มีใครเอาใบประกาศมาโชว์ต้องไหมตอนนี้ได้อนุปริญญาแล้วได้ปริญญาตรีแล้วดีน้องยาเาเพิ่งเสียชีวิตังจะมีปัญหามาถามท่านเชิญเข้ามาใกล้ๆเลยจะได้ฟังคำถามได้ชัดหน่อยศาตร์คือยมพัญญา เสียไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็กวันเสียก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาอยู่กันประมาณ29วันเป็นมะเร็งเลือดขาวนะเออวันที่จากไปเนี่ยทั้งตัวโยมเองกับตัวผมเองก็ไม่ทราบไม่ทราบว่ามันถึงเวลาสุดท้ายเพราะฟังจากคุณหมอก็คุยกันเหมือนกับว่า วันพนุธจะกลับบ้านได้ลแล้มกลับอันนี้ก็คือว่าลองไม่รักษาทางด้านนี้ทนะ่ารู้สึกสารเกมีมันเยอะอืสิ่งที่เจอวันนั้นก็คือว่าเช้าเช้าวัาววนเสาร์เราไดคุยกับหมอว่าวันอาทิตย์จะกลับพอพามาสักบ่ายสองเนี่ยอยู่ๆก็อยู่ๆ ก, ก็เหมือนกับนิ่งแล้วก็สงบไปก็เลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่ามันเร็วจนเราทําใจไม่ได้นิดหนึ่ง อันสองเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวรู้ตัวไหมว่ามันคือปรตถุทายการปล่อยวางอะไรต่างๆเนี่ยตามการที่เขาล่ําเรียนรมาเนี่ยเขาได้มาใช้มากน้อยแค่ไหนแล้วสุดท้ายก็อยากจะทราบว่าดวงจิตเขาพิสูจน์ตรงไหนอย่างไรนะคือถ้าเขาฝึกฝนมาเขาก็จะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้จะอยู่ใกล้หรือไกลอย่างไร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 ผมบอกว่าทีปล่ยวางนีเก็บอกผมไม่เข้าใจหรอกออปล่อยวางของเขาของผมไม่เหมือนกันอืผมก็งงว่าไม่เห็นกัยังไงปล่อยวางซีดีเขาบอกเขาบอกผมไม่เข้าใจบอกสิ่งแรกที่ปล่ยวางคือเขาต้องปล่อยวางกัตัวผมก่อนก็เลยยิ่งงงใหญ่กับปภาสาทที่เขาซื่อไม่เข้าใจความหมายก็คือเขาเขาเขาไม่ยึดติดในตัวคุณแล้วเขาก็ไม่ยึดติดในตัวของเขา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 อ ม, มาถึงก็แจกพวพยาบาลเขามาเขาขอทาําท่าก็ดีอืก็ดีดูฟังดูไหมครับเขาจะรู้เออฟังดูก็เขาก็มีมีมีกําลังจิต ด, ดีมีมีปัญญามีสติมีสมาธิเขาบอกผมไม่เห็นที่ตรงประตูห้องไหมมีวิญญาณอยู่มผมบอกผมไม่เห็นอบอกไม่เห็นแล้วผมไม่เห็นเขาก็ประหยัดงานพอพี่สามวมาเขาให้ถ่ายรูปไว้สิ อืพี่เขาถ่ายเขายัางไม่เชื่อเลยขอดูหน่อยว่าถ่ายจริงไห ม, มว่าจะเอามาดูพวกเราก็ไม่เห็นมีอะไรแต่เขาก็ยาอยากนะออืเราก็เริ่มเอ่ยใจว่าเขาเห็นอะไรแต่ก็ไม่กล้าไปสั่งใย่อะไรคือใจของคนเราเนี่ยมีถ้ามีพลังจิตก็จะเห็นสามารถเห็นอสิ่งที่ละเอียดกว่าร่างกายได้สิ่งที่ละก็คือกายทิพย์ต่างๆกายทิพย์เราก็ให้ชื่อต่างๆ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 บางคนก็ต่างรอรถของของตนพอถึงเวลารถของตนออกแล้วก็ขึ้นรถของเราไปคนที่อยู่บนถานีเขาก็เดี๋ยวเาก็รอขึ้นรถของเขาไปเห็นถ้ า, ามองอย่างนี้เราก็จะได้ไม่รู้สึกอะไรมากนะแต่ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นของเราเขาอะไรเป็นส่วนหนึ่งของเราของชีวิตเราอย่างนี้เวลาเขาจากเราไปเราก็จะรู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรไปมาก การครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าคนคนนั้นเนี่ยหมดอายุไขแล้วออหมายถึงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยหมาถึงว่าอย่างเช่นปัญญาที่เสียไป น, นี่คือเขหมดอายุไขแล้วหรือเปล่าร่างกายก็หมดแต่ใจเขาไม่หมดเนี่ยใจของทุกๆกคนไม่มีวันหมดเป็นของที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดยิงกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าเขาได้บรรลุ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 หาเพื่อนที่สโมสรมันก็ไม่นด้หมายความว่าเราหายไปไหนเราอยู่บ้านเราขี้เกียจไปเพราะอย่างนีน้อยู่บ้านสบายกว่าอจากแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าการทําบุญแล้วก็จะได้รับหรือว่าได้โมทนาบุญในส่วนที่ทําถึงม้ถึงนะครับก็บางทีเรานอนหลับก็อาจจะเข้ามาในฝันเราก็ได้ถ้าเราไม่มีพลังจิตที่จะรับรู้ผ่านทางสมาธิเราก็ต้องรับรู้ผ่านทางเวลาที่เรานอนหลับฝันไป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 เราก็ต้องฝึกทำใจให้มีอุเบกขาถ้าใจเรามีอุเบกขาเราก็จะปล่อยวางร่างกายนี้ได้ตอนนี้เรารูว่วเราต้องปล่อยแต่เราปล่อยไม่ได้เพราะเราไม่มีอุเบกขาไม่มีกาลังดังนั้นเราต้องเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาถ้ามีสมาธิแล้วเราก็จะได้อุเบกขาพอได้อุเบกขาเรามามองดูร่างกายว่าไม่เที่ยงเราก็จะรับได้ เรามองว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะรับได้เราก็จะไม่วิตกกังวลอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญมากกว่ามาคิดถึงว่าตอนนี้เขาไปไหนเป็นอะไรอย่างไรถ้าเขาเดือดร้อนแ ล, แล้เดี๋ยวเขาเข้ามาหาเราเองเดี๋ยวนอนหลับก็เข้ามาหาเราเองถ้าเขาต้องการอะไร แต่เท่าที่ฟังดูก็คงไม่มาแล้วล่ะสเขาสบายแล้วถ้าเขามาก็อาจจะมามาเตือ <lace> น <facilities> <rup> เราก yeah. ็ได้มมาบอกพี่รีบปฏิบัตินะเดี๋ยวพี่ก็ต้องตามหนูไปนะอย่าประมาทเงียบไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาเขามามีคาถามตังอยู่แต่เด็กรออะไรเชิญเอ่าดี เดี๋ยวขอตอบปัญหานะอ่าถามปัญห า, า, ญหาคืออาจารย์บอกว่าในบางครั้งเนี่ย เ, เวลาที่เขามาข อ, อามาขอบุญเวลาที่เราทำบุญเป็นบุญอุทิศพระเจ้าคาะอาจารย์มันเป็นความมันเป็นความหิวทางใจของเขาแล้ ว, ลวถ้าเกิดว่าเองทำบุญเนี่ยสิ่งที่เขาได้คือเมตตาที่เราแผ่ไปให้หรือว่า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 คนตายนี่กินได้แต่อาหารทิพอาหารทิบก็ต้องเป็นบุญเวือแทนที่จะเอาของที่เราไปเส้นไปไหว้ศพนี่เราควรจะเอาไปใส่บาศิแล้วเอากระดาษเขียนรายการมาปะไว้ที่หลุมศพจังจะดีกว่า <c oughs> จริงๆ <c oughs> เขาจะได้บุญไงเขาจะได้บุญ อี่านี้เขาไม่ได้บุญนะเราละได้เราได้กิน <laughs> เราอยากจะกินอะไรแล้วก็ไปซื้อมาเส้นเขา <laughs> เราถึงเวลาแล้วก็ไปกินกัน <laughs> นี่มันใขรจะได้ละไม่มีใครได้อะไรบุญมันเกิดจากการเสียสละเราจะได้ความส่งความรู้สึกที่ดีความอิ่มใจไปให้เขาเวลาเราทําบุญแล้วเรามีความอิ่มใจเวลาเราอุทิศนี่เราก็อุทิศความอิ่มใจ ซึ่งเป็นอาหารทิพย์ให้กับเขาพอเขาเห็นเราอิ่มใจเขาก็จะอิ่มใจตามเราได้ น, นั่นเองหมือนก็ส่งเครื่องปรับอกาศไปให้เขาอย่างเงี้ยพอเปิดเครื่องปรับอกาศเขาก็เย็นสบายตอนนี้ใจเขาร้อนก็หิวพ่อไม่มีบุญพอได้บุญแล้วก็เย็นสบายนั้นถ้าถ้าถ้าแต่เราไปหาทาูทำบุญใส่บาแล้วเราอุทิศให้หรือว่าเรานั่งภาวนาแล้วหลัง เราแผ่เมตตาให้เขาก็จะได้รับเหมือนกันใช่ไหมได้ได้ได้เหมือนกันเป็นบุญก็เหมือนกันอาหารทินอาจารย์อาจารย์บอกให้วางอุเบกขาแล้วถ้ามันอ่อน ก, กํนาลังให้ทําสมาธิอืมสมาธินี้ต้องถึงขั้นไหนต้องพิจารณาอย่างไรไหมครับเพื่อทําให้ใจมันอุเบกขาได้ก็อย่างทีบ่บอกว่าต้องใช้กรรมฐานสี่สิบอย่างใดยอย่างหนึ่งเนี่ยมันใช้พุทธานุสติก็พุโทโธพุทโธไปใช้อานาปนสติก็ดูลมหายใจไป คือไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะรมิตมนมิ่งนิ่งสงบได้พอนิ่งสงบก็จะเป็นอุเบกขาแต่พอออกมาจากสมาธิมันก็จะอยู่ได้ไม่นานเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้พอเราออกมันไว้ทิ้งไว้ข้างนอกสักระยะหนึ่งมันก็จะความเย็นก็จะหายไปไไไเราก็ต้องเอากลับก็ไปในตู้เย็นใหม่เราก็ต้องกลับก็ไปในสมาธิอยู่เรื่อยๆเวลาออกมาเราก็ใช้จิตที่เย็นนี้มา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 ถ้ามันเกิดผิวเนี่ยเราวางอุเบกขาแต่ในขณะที่ร่างกายเนี่ยถ้าอยู่มากจะเกิดโรคปอดขึ้นมาอย่างนี้ฉันเอ๊ะกินแต่น้ําเนี่ยจะเกิดมีอ่าจะทํำยังไงเข้าอาจารย์ไม่เป็นหรอกครูบาอาจารย์ควาปฏิบัติเขาอดกันมากันเยอะแยะ <c oughs> ถ้็เป็นก็เป็นกันไปหมดแล้ว <c oughs> แสดงว่ากินแต่น้ํำก็อยู่ได้ใช่ไหมครับอย่างคนเนี้มีสเสบียงพอสะสมไว้มีสิบวันนี่สบาย <c oughs> เกเจะพ่าของเวลาผมจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นงหน้าเยจะพยมแม่มาตลอดจะแฝอ่าก็ดีจะได้ไม่ประมาทแคือสิ่งที่เพ่อนมาบอกีมันเกิดขึ้นแล้วอ๋อเกิดขึ้น้ก็แก้ไปถ้มีปัญหาอะไรก็แก้ไปอย่าไปทำบาปอย่าไปสร้างปัญหาขึ้นมาอาพยายามหยุดความอยากแล้วมันก็จะไม่มีคดีความ ปีควา ม, มันก็เกิดจากความอยากของเราเนี่ยแหละนะงั้นพยายามตัดความอยากแล้วพยายามรักษาศีลไว้ให้ได้ปัญหาต่างๆมันก็จะไม่มีครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook และแฟ page พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคําถามแรกนะครับจากคุณวิลาลัยนะครับอับปปนาสมาธิกับอุปจาระสมาธิสมาธิอันไหน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 คือบางคนอาจจะข้ามได้บบว่าถ้ามีปัญญากำลังพอที่จะพิจารณาสุภาพได้เลาก็ทำให้ใจสงบได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ถ้าพิจารณาสุภาพแล้วกลายเป็นสุภาพไปนี่ก็แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วทำไม่ได้ใช้ปัญญาอบรมสมาธิไม่ได้เมื่อเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิไม่ได้เราก็ต้องใช้สติอบรมไปใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก่อน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 ภาวนานี้ก็เป็นมรรคขั้นสูงทานกับภาวนานี้มันจะขัดกันคือถ้าเราเข้าสู่ขั้ขนมรรคขั้นสูงเข้าสู่การภาวนาแล้วแล้วเราไปทำทานนี้มันก็เป็นการเอามรรคขั้นหยาบมาทำลายมรรคขั้นละเอียดถ้าเราเข้าสู่ขั้นภาวนาแล้วเราก็ไม่ต้องทำทานถ้าจะทำก็ต้องทำแบบไม่มาทำลายการภาวนาะ เรายังทําได้สมัยนี้เรากดเปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือนี่ก็โอนเงินได้ละอยากจะทําเท่าไหร่ก็ทําได้แต่ไม่ต้องให้ออกไปข้างนอกไปพบกับลูกเสียงกลิ่นรสไปวุ่นวายกับเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เป็นการทําทานเป็นเป็นมัคที่หยาบมาทําลายมัคที่ละเอียดเหมือนกับช่างไม้ที่เขาใช้กบกับใช้ใช้กระดาษทราย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 ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเป็นการประกอบขึ้นของอวัยวะทั้งสามสิบสองส่วนนี้หามีตัวมีตนไม่อันนี้ก็เรียกว่าแยกอวัยวะให้ผั้จใจทำลายความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วขัานต่อไปก็ให้มันสลายกายเป็นธาตุไปเวลาร่างกายตายไปธาตุทั้งสีมันก็จะแยกทางกันณธนะาตุไฟก็จะออกไป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 เดีวไม่เอารีบยกให้ป่าชา้าให้สับเปล่อเลยเมื่อก่อนลักขวงแทบเป็นแทบตายพอไม่หายใจนี่สับเปล่้นียน่ยกให้เลย mm hmm. เราต้องเห็นตอนนั้นเห็นเห็นตอนนั้นก่อนที่เขาจะตายเราจะได้ไม่มีการมารมกับเขาพอเราไม่มีการมารมแล้วเขาจะไปอยู่กับใครแล้วก็ไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเรายังมีการมารมอยู่เรายัางต้องการเขาอยู่ต้องการเสกการมาลมกับเขา พอเขาไปนอนกับคนอื่นเราก็วุ่นวายใจขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นสร้างศพนี่เราก็จะรู้สึกเฉยๆอยากจะอยากจะไปนอนกับใครเขาไปเถิดเราไม่อยากจะนอนกับเขาแล้วแต่เรามองไม่เห็นว่าเป็นสร้างศพกันเรายังมองเขาว่าเป็นร่างกายที่สวยงามที่น่ารักนี่คือปัญหาของการไม่พิจารณาสุภาพ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 แล้วก็ละเว้นการนอนนอนนานจนเกินไปนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆตามปกติร่างกายนี้พักเพียงสี่ห้า 4, ชั่วโมงก็พอแต่ถ้านอนบนฟูกหนาะๆนะพอตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงก็นะจะเสียเวลาที่จะเอามาภาวนาเนะนี่เรียกว่าติดสุขีกวิธีติดสุขพระเจ้าก็สอนว่าให้ถือถือศีลแปด เรียกว่าเนคขมมะบรารมนะีเนคขมมะก็คือการออกจากความสุขดงนะั้นคนที่อยากจะออกจากความสุขก็ต้องหัดถือศีลแปด ก, กันาาอาจย์าอยางติดสงคือนั่งสมาธิแล้วะนนงมีความสุขกับสมาธิแต่เวลาออกมานล้งทนนีนิดนึงก็จะีวบีนขี่โม้เาอะอ ก็เพราะว่าออกมาแล้วไม่ใช้ปัญญาหรือไม่ใช้สติรักษาใจต่อถ้าออกมาแล้วมีสติควบคุมใจพุโทโธพุโทโธต่อไปมันก็จะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาง่ายหรือว่าถ้าใช้ปัญญาก็ ก, ก็จะทําให้อารมณ์ต่างๆนี้หมดไปได้อย่างท้าวอนคือถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่มีอารมณ์หรือเวลาเราเกิดอารมณ์เพราะว่าเราไม่ได้ดังใจอยาก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 ถึงต้องใช้ปัญญาไง อ, อ่ก็ต้องใช้ปัญญาก็ต้องสอนว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราไปห้ามก่อนไม่ได้เราต้องเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่สงบก็ได้ไมีระยะไปเนี่ยที่วัดนี่ไงตามป่าตามเขาทําไม่ไ้ไปไงเข้าใจไมอ่าเมือม่อมันมันหนกคูอันไหนที่เราแก้ได้เราก็แก้ไปที่พูดนี้หมายถึงสิ่งที่เราแก้ไม่ได้ห้ามไม่ได้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 และวางใจกับแม่ลักษณะนี้อย่างไรง่ายง่ายนิดเดียวก็รักรักแม่เหมือนรักผัวก็ลักกันเรารักผัวแต่เกลียดแม่มันก็เป็นอย่างนี้มีหมอแอนที่เป็นหมอตาทางมา ก็รักรักรักสามีเหมือนกับรักแม่เพราะแม่กับสามีก็เหมือนคนเดียวกันแล้วแหละใช่ไหมเวลาเราแต่งงานเราต้องคิดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราไม่แต่งกับสามีคนเดียวเราแต่งกับแม่กับพ่อกับพี่กับน้องทั้งครอบครัวด้วยเพราะเขาจะต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราไปรักเพียงแต่สามีแล้วเราเกลียดคนอื่นเราก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นอวัยวะอันเดียวกันเหมือนเวลาเราแต่ง สามีเราก็รักทั้งหน้าทั้งตาทั้งแขนทั้งขาใช่ไหเรารักทั้งตัวฉันใดเวลาแต่งกับสามีเราก็ต้องรักทั้งครอบครัวของเขาแล้วเราก็จะมีความสุขจ่ทัานนนี้ก็เ่เกี่ยวกับคระสาาระหว่างผู้ชายพระสงฆ์ไม่ต้อง ใช้ผ้าระหว่างผู้อยู่คือท่านกลัวมันจะใกล้กันไปบางทีมันจะแตะต้องกันได้อเวลาแตะต้องนี่การมารมมันจะเกิดขึ้นเร็วกับพระเพราะผ้าว่านี่เป็นเหมือนคนไม่ได้กินน้าอยู่ในอยู่ในทะเลทรายพอได้ได้แตะน้ําหยดเดียวมันก็จะเกิดาเพียงเพียงเพียงป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสกันไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไร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 บางสังคมเขาก็ให้ความสำคัญมากอย่างของเรานี่เขาให้ความสาคัญมากก็ในเมื่อเราเข้ามาในสังคมนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้นแล้วเราก็จะได้ไม่มีปัญหากับใครถ้าโยไม่ใช่ไม่ใช้ผ้าเดี๋ยวคนก็เราก็จะโดนเขาว่าอีกอะนะยื่นให้กับมืออะไรเงี้ยก็จะมีคนที่ก็ว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้อง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 ว่าผ่านไปทวงเรียนใช่ไหมมีลกคนคนหนึ่งซึ่งแจงบอกว่าอีกไม่นานในเครื่องตายแน่ๆซึ่งไม่นานจริงๆเขาต้องตายนี้โยมที่แล้ะว่าเออไม่ว่าเขาไม่เราสุดท้ายก็ต้องตายกันหมดคือประมาณว่าทีเป็นมรดนศิลปกรรมาทยใช่ไหมคะนี่อยากให้แจงที่ต่อยต่อตรงนี้ชขาจให้มันต่อต่อไปนะคะต่อตรงไหนแล้วก็ตายก็จบแล้วอย่าไปต่อเล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 แต่พวกเราส่วนใหญ่พอเห็นหนังตัวอย่างแล้วก็พยายามลืมมันไม่ยาวเอามาคิดต่ อ, อ ม, มันก็เลยลืมออพอไปเจอหนังจริงเข้าก็ตกใจกลัวขึ้นมาอะว่ามาหนูก็ไปเรียนไปฝึกวิศวกรรมาแล้วคะตอนแรกเาก็ให้ใช้อนาลานะสติค่ะ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 ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างแล้วก็ดูจังกอมันจะดับไปถ้าเรามีอุเบกขากเพียงพอมันก็จะดับไปได้โดยที่เราไม่มีความทุกข์อะคะ่ะแล้วก็คือดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็หนูก็ก็ปฏิบัติคือแต่ตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะคะก็คือตอนอย่างตอนนอนเนี้ยคะ่ะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆพอตื่นเช้าขึ้นมามคือมันจะเป็นอัตโนมัติ ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยจะเข้ากับที่ทพักพระอาจารย์ว่าอือหเหมายเพราะว่าท่านพระอาจารย์หมายถึงว่าพี่ดูสมมติว่าดูอวัยวะหรือว่าดูอสุภะหรือว่าดูความไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือก็คือมันมีส่วนที่สอดคล้องแต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่เศร้าที่เขาสอนนี่เขาให้ดูเวทนา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 น่า <c oughs> ดูใช่ว่าใจจะโกรธหรือเปล่าท่านพระท่านพระาจาร์หมายถึงก็คือว่าปกติก็ให้ทำสมาธิให้จิตสงบแล้วก็พอมีอะไรมากระทบแล้วค่อยดูว่าเราเยเนี่เบียดขาเพียงพอหรือเปล่าจะปล่อยวางเขาได้หรือเปล่าแล้วก็อย่างเวลาพิจารณาเากลายวือว่อรื่องนี้คะ่ะ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 แล้วก็สมมิว่าคือมีค้าหนึก็นั่งนั่งสมาธิแล้วก็ออกมาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันรองนะค่ะล้างหน้าอยู่หน้ากระจกแล้วทีนี้ก็ก็มองเข้าไปก็รู้สึกว่าเออมันหมาเพวาะว่าหนูไม่ชราว่าคิดไปเองหรือเปล่าว่าแบบเออผิวพันธุ์เราก็ไม่ได้ สวยเป็นนานๆแล้วก็แบบเหมือนกับว่ามันมีภาพาว่าเออมันนั่นแหละแล้วต้องคิดไปแล้วต้องคิดไปเรื่อยๆถูกถูกแล้วถึง แ, แล้วต้องใช้ความคิดเนี่ยถึงจะเห็นภาพต่อไปก็คือคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆว่ามันต้องเหวมันต้องย่นมันต้องกลายเป็นซากศพไปคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะนี่เป็นขั้นตอนของร่างกายที่มันจะต้องพัฒนาไปเพ<ม>ื่อที่ใจเราจะได้ไม่ไปวิตกกังวลกับมัน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 ดึงใจเราออกจากร่างกายไม่ให้ไปยุ่งกับร่างกายให้ปล่อยร่างกายก็เป็นไปตามเรื่องของเขานใจนะโอเคเอาละนะเียว่าสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้นําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิง่งยิ่งขึ้นไปเถิด จดิตเราต้องไปยูกรรมฐานสี่ิเราจะรู้ว่าจริตเราเป็นแบบไหนคือต้องลองทุกอันเลยก็<ด>สังเกตดูอารมณ์ของเาวันไหนจะาองการมันก็เรียกว่าตอนนี้ให้ดูตัวเราเองว่าเราเป็นตรงกันถ้าเราโกรธเกลียดเท่านั้คำนี้ก็แสดงว่าเรามีโทสะจดิตเร า, ปรเ<อ>าไปใช้วิธีเปลี่ย น, นไปเปลี่ยนมาจดิตเราบางวันก็โกรธบางวันก็ไพ่าบางวันก็หลงก็แล้วแต่